จะใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใด จ, จิตใจสมาธิแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกหัวไปปวดนั่นอยากไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเราต้องกล้าเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักกลบแต่เราจะต้องสู้ด้วยเหตุ ด, ด้วยโปดด้วยสติปัญญาของเรา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 ชาวพุทธให้ภาวนาพุโทโธชาวคริสต์ให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวคริสต์ก็มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุโทโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไร ฉันภาวนาพูดโทรแล้วจิตของชันสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขแล้วของเธอละ่ะเป็นอย่างไรของชันก็เหมือนกันชั้นภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิมเคลิมเบอเบอร์เหมือนกับจะนอนหลับพอเปอิดพลับจิตผู้ปงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเราคนละศาสน า, สาศาสสดาคนละองค์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 มันจะต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดมีปีติมีความสุขเหมือนกันหมดก็เหมือ น, นกับที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเราทีมีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเขาก็สร้างคั่วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเยดสีกันเกิด ค, ความร้อนก็ได้ไฟมาใช้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 เรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนําเรื่องราวการตรัสรูสร้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวอย่างก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้ายังไม่สาเร็จเป็นพระพุท ธ, ธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดที่ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ไมเกิดคำว่าพูดโทก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะคำพูดสามคำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรถ้าเงื่นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เอาคำพูดคำไหนมาท่องบริกรรมภาวนาจนใจจริงๆหาคาพูดที่จะท่องไม่มี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 ดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข่าวมาโทษปายาตของนางสุชาดาทรงเสวยเอีมน้ำซ้ำรานพระวรกายสดเท็จพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทําให้พระองค์ลําลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาที่พระที่เลี้ยงนางนมผูกพระโอ๋ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กําหนด พระไทยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมมชานปฐมมชานที่มีพิตรคือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เกิดมีปิติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมมชาน เมื่อพระองค์ทรงลำลึกถึงจุดนี้พระองค์ก็ะมานึกว่าออที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติทีกํกำหนดลมอัดสาสะปัดส า, าสะทีนใการที่พระองค์ทรงกำหนดลมอุดาสาสะปัดอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทำอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้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 สมถกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตศยฌานจตุฌานแล้วก็ไปอากาสานัญจายชนนะัญญาณัญจยตนะอากินจัญญาชตนะัเดวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เป็นสมาธิสมถกรรมฐานสมาธิสมถกรรมฐานนี้ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทําจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือ ึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสาเร็จอรหันเหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติดูตามแบบเขาก็เห็นว่าไม่สาเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐทมฌทานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือจะจิตดวงเดียวนิ่ ง, ส ว, งสว่างสบายอยู่ ทีนี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหนพอไปถึงจุดนี้แทนที่จะเจริญไปตามแนวทางของสมาบัติแปดกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตานิโรธเข้านิโรธสมาบัติก่อนนิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะเข้าขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลหุตละเมื่อพระองค์จิตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจเจตแบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่ง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 นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ย ม, มโลกหรือโลกนรกแล้วยังรู้ปุพภกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจกนกระทั่งว่าทำไมสัตว์ต้องทำกรรมแตกต่างกันเพราะอาวิชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นจิตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉย จิตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสวายอยู่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นจักแต่ว่ารู้จักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทําไมจึงไม่มีความคิดทําไมจึงก็ไม่ไม่มีไม่มีคําพูดเพราะเจตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็น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 พิจารณารู้เรื่องปุบเทในวาสานุสติยานและเลึกชาติผลหลังได้เคยและเลึกว่าชาติก่อนเราเกิดเคยเกิดเป็นเวทสันดอนชาติต่อตไปเป็นอย่างนั้นชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้ของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดมากี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปุบเทในวาสานุสติยานการกําหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาจบลงใน ปัถมมาามแล้วต่อไปจิตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมภาสิทธิว่ากมังสเตบิพัชติกำอนดจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชชิมยามแล้วก็ เจตของพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องท ำ, ทำกรรมคืออชชวิชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตดคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้น อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในโจนใรใกล้ลุ่งเมื่อพระองค์พิจารณาสามเรื่องตลอดสามยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสนาแต่ตอนที่ลู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบจิตจอมรับสภาพความจรงิง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 เรามีตาหูจมูกเล่นกายแล้ใจเได้กายกับใจตาหูจมูกเล่นกายแล้ใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันตลอดทั้งธุรกิจการงานหรือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจั ก, กรวาล น, นี้ท้งนามธรรมาและโลกประธรรม สิ่งที่เป็นโลกประธรรมตั้งแต่อนูปละมานูจกนกระทั่งมวลสารอันเกากลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปคล้ำจับจบ้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรม ท, ทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนา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 มีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพธธุทธเจ้า ว, ว่าอั น, นิจ้ังไม่เทีย่ยทุกขังทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิงทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราคือด้เมื่อทุกสิงทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ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 อันนี้จังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเพทำมมาอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งโน้นกล่าวตูว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้โูเขารถเรือน เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่สิ่งภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นทุกขังอนิจจงอนัตตาเราก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจงทุกขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นรูปจิตของเราปกติมันก็เที่ยงได้เย็นเข้าด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยง แต่ถ้ามันวันไหวไปทางเยนดีเย็นร้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอัตตาก็กินทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลก เมื่อเรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็ถีบตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพานิพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ก็ปูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่าย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 แต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นพอพูดโทพูดโทสองสามคำจิตมันลูปลงไปนิดหนึ่งความคิดมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งุ้ ง, งขึ้นมาอย่างกระ น, น้มฟุอย่างที่คุณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศน์เนี่ยที่ว่าจิตมันมีแต่ความคิดคิดคิดค ด, ค ด, ค ด, คดอยู่ไม่หยุดแต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กำหนดสติตามรู้เรื่อยไป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 ในท้ายที่สุดนี้ด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าพระธทมคำสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบนบารมีอันใดที่สมาภาพหรือบาเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตขอเทศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวั น, นะสุขภะละปฏิภาณทันสนสมบัติ แม่จะปรารถนาราบยดสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทืนขอจบเยทาบาริวาาปูราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิสติตังปฏิตังตุมหังจิตตเมวะชมิตโตัพเพพุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยะถาไมิโชติรโสยะธาสัพพติโยวิวัชันตุสัพพโลโกวินาศตุมาติภวัตวันตรายูสุขิธิคาจุกุปวะอภิวาทนสีริสนิจังว ah ุทาปชาจิโนจัตารุธมรมวัฏันติอายุวันโลสชขังพหลัง